ในการพิจารณาจากสุขจากสุวิญญาณและธรรมะที่รู้ได้ด้วยจากสุวิญญาณคือของเราในชั้นต้นๆเราฟังแต่ลักษณะของอยาตะปริญญาสนานเลยนะเรามาฟังปริญญาชั้นสูงๆดูปริญญาประเภทนี้เป็นประเภทปหานะปริญญาพูดถึงว่าพระช น, นะเห็นการดับนะการดับสมมุติว่ารูปอารมณ์นะ สิ่งที่เห็นได้ทางตานี่นะฮท่านมีญาณสูงขนาดนั้นเนี่ยเห็นความดับหมายความว่าท่านเห็นเห็นปัจจัยของของรูปอารมณ์ดับใช่ไหมครับหรือว่ายัางไงครับหรือว่าเห็นตาดับจริงครับหรือว่าเห็นรูปดับจริงๆหรือเห็นจกักรคภาษาธาดับจริงๆคือความดับในในชั้นนี้เนี่ยนะซึ่งอนุมานค่อนข้างยากนั่นกันเพราะว่า ญาณในการเห็นความดับจริงๆแล้วถ้าข้อความในวิสุทธิมรรคเนี่ยในปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเนี่ยท่านกล่าวถึงลักษณะว่าตามเห็นแต่ความดับอย่างเดียวาการที่จะตามเห็นความดับอย่างเดียวนั้นคนนั้นจะต้องเห็นทั้งความเกิดและความดับก่อนใช่ไหมเพราะว่าพังคยานนั้นจะต้องต่อจากอุททยพย า, ยานแล้วอุทยพย า, ยานนี่จะรู้ทั้งความเกิดทั้งความดับอย่างเช่นรูประคันจะเกิดเกิดด้วยอาการห้า ถ้าจะดับดับด้วยอาการ5เวทนาขันจะเกิดเกิดด้วยอาการ5จะดับก็ดับด้วยอาการ5้านั้นแสดงว่าเกิดด้วยปัจจัยดับด้วยปัจจัยนั่นคือว่ามีความเข้าใจอย่างถึงเกิดดับเป็นอย่างดีการพิจารณาในความเกิดดับลักษณะนี้เนี่ยจึงทําให้เกิดวิปัสณูปกิเลสพอวิปัสณูปกิเลสเกิดขึ้นก็พิจารณาวิปัสณูปกิเลสนั่นแหละโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปัญนนตาอีกและก็สา ม, มารถที่จะพิจารณาความเกิดดับต่อไป จึงพังขยานจึงจะเกิดขึ้นทีนี้ในช่วงพังคยานเกิดขึ้นนั้นเขาบอกว่าไม่ใส่ใจในความเกิดใส่ใจในความดับอย่างเดีย ว, ว น, นะเขาเราไอ้เกิดดับอย่างเดิมนั่นแหละทีแรกใส่ใจในความเกิดใช่ไหมสใส่ใจทั้งเกิดด้วยทั้งดับด้วยว น, นะแต่ทีนี้มาใสา่ใจแต่ความดับอย่างเดียว <S <S เมื่อใส่ใจในความดับอย่างเดียวก็คือตามเห็นโดยความไม่เที่ยงถามว่ า, สาใส่ใจในความดับเห็นแบบไหนก็คือเห็นโดยความไม่เที่ยงอ่ะ ไอ้ดับที่นี่ไม่ใช่ว่ามันเป๊ะเป๊ะแบบแบบที่แบบที่ที่เราอาจจะคิดกันเองอะนะไม่ใช่คือท่านตามเห็นโดยอนุปัสสนานั่นเองพังคยานก็คืออนุปัสนาณะเมื่อขณะที่พังคยานหรืออนิจจานุปัสนาณะเช่นเห็นดับนี่เห็นอย่างไงก็คือเห็นโดยความไม่เที่ยงนั่นเองหรือเห็นว่ามันเป็นทุกข์หรือเห็นโดยความเป็นอนัตตาหรือเห็นโดยความเป็นของเบอร์นายหรือคลายกําหนัดหรือว่าสละคืนพวกเนี้ย หรือเรียว่าอนุปัสนาเจัเพในช่วงนี้จึงจะละวิปปราธรรมได้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ละวิปปาราธรรมทีนี้เราก็ย้อนมาหาว่าการเห็นเกิดดับเนี่ยในช่วงเห็นเกิดดับเนี่ยประมวลอริยสัจได้แล้วในชั้นโลกิยาอริยสัจเนี่ยประมวลได้แล้วแล้วก่อนที่จะเห็นเกิดดับปั๊บเนี่ยก็ต้องมาจากพิจารณาโดยอาการสี่สิบสองเนี่ยอย่างดีเลย เรียกว่าไม่มีอะไรที่ทไม่ได้พิจารณาตามสมควรแก่แก่อัธยาศัยของผู้นั้นเว้นว่าถ้าเขาเป็นพระสุขาวิปัสสกนั้นจะต้องพิจารณาในระดับขอบเขตของพระสุขาวิปัสสกถ้าหากว่าพระอริยบุคคลที่ ท, ที่มีบุญมากก็พิจารณาตามกําลังของตัวเองญาณชั้นสูงจึงจะเกิดเรียนกะว่าต้องเหมือนกับอะไรให้ทานอาหารให้มันอิ่มนะต้องสมควรแก่คนนั้นนน่ะ แม้แต่ว่าคนที่พิจารณาไตรลักษณ์เป็นต้นเนี่ยนะโดยอาการสี่สิบที่เรียกว่าตีรณาปริญญาคนเหล่านั้นรู้ปัจจัยมาเป็นอย่างดีนะไม่มีความสงสัยในอย่างอื่นๆและในเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยนะคนที่รู้ปัจจัยนั้นคนนั้นมีความเข้าใจเรื่องของขันห้าเป็นอย่างดีเข้าใจเรื่องขันห้าเข้าใจเรื่องอายตนะสิบสองหรือท่าสิบแปดเป็นอย่างดีแต่เราใช้คําย่อว่านามรูปย่อว่านามรูป ถ้ารู้จักนามรูปเป็นอย่างดีก็จะรู้จักปัจจัยรู้จักขันห้าเป็นอย่างดีก็จะรู้จักปัจจัยของขันห้าถ้ารู้จักปัจจัยของขันห้าเป็นอย่างดีก็พิจารณาขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงไปต้ น, นในชั้นของการพราาิจารณาไม่เที่ยงเนี่ยพิจารณาอย่างไรประมวลชีวิตทั้งชีวิตะนะเป็นการพิจารณาชีวิตทั้งชีวิตเลยนะไม่ใช่ว่าโอ้มาคิดเออตาก็ไม่เที่ยงเป็นทุกแง่หน้าตาคิดอยู่แค่นี้ไม่ใช่แบบนี้นะ เป็นการพิจารณาชีวิตทั้งชีวิตเลยประมวลเช่นชีวิตเราร้อยปีเนี่ยร้อปีตายเนี่ยนะเอาเกิดเอาตายมามาจับเลยนะตั้งแต่เกิดไปจนถึงตายแล้วพิจารณาในช่วงนี้ทั้งหมดมันมีอยู่แค่เนี้ยมันไม่เกินนี้ไปเลยโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ยอ่อลงมายอ่อชีวิตมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆย่ อ, ย อ, ยยอชีวิตมาจนถึงประมวลที่สมุทฐานะทั้งทั้งที่เคยรู้ปัจจัยมาเป็นอย่างดีก็มาประมวลใหม่โดยแง่มุมต่างๆ นะช่วงนี้เป็นการวินิจฉัยหรือธรรมวิจยะอย่างมากเลยเขาจึงเรียกว่าแถวนี้ว่าเป็นลักษณะของประเภท ธ, ธรรมวิจยะสามพุทธชงนะวิจัยพวกนี้ค่อนข้างมากเมื่อวิจัยมากๆขึ้นเนี่ยจะเริ่มรู้ว่าในรูปนามแต่ละอย่างนั้นถ้าจะเกิดเกิดด้วยปัจจัยเกิดถ้าจะเสื่อมเสื่อมด้วยปัจจัยเสื่อมอย่างเช่นสีที่เรามองเห็นเนี่ยน ะ, ะถ้าหากว่าเราพิจารณาเรื่องสมุดฐานนี่ก็รูปน้อยไปเนี่ยเราจะนึกตามไม่ถูกเลย ว่าเป็นอย่างไรเรามองเห็นสีเช่นเห็นดอกไม้เนี่ยนะเมื่อวานสดกว่านี้ใช่ไหมวันนี้ทําไมเป็นอย่างนี้เพราะหมดปัดจจัยหมดอะไรเรียกว่าปัจจัยที่จะทําให้สดหมดแล้วอัน น, นัได้ปัจจัยก็เสื่อมขึ้นมาฉะนั้นคนที่วินิจฉัยประเภทนี้ค่อนข้างมากๆเนี่ยนะมองเห็นปั๊บเนี่ยมันยังถึงความเกิดความเสื่อมเลยะสามารถที่จะยังถึงแบบนี้บ่อยๆเขาจึงบอกว่าโหขนาด ภายนอกอะนะไม่มีวิญญาณครองยังมีความสิ้นไปเสื่อมไปแบบนี้แล้วกายที่มีวิญญาณครองอันนี้จะอยู่ได้หรือการพิจารณาพวกนี้มากพอมากจริงๆจึงจะอย่างถึงว่าในรูปเนี่ยนะเพราะตอวิชาเกิดรูปจึงเกิดเพราะตันหาเกิดรูปจึงเกิดเพราะกรรมเกิดรูปจึงเกิดเพราะอาหารอุตุจิตเกิดรูปจึงเกิดและตัวความเกิดของรูปนั้นๆด้วยเในวันนี้พัติลักษณะของรูปอันนั้น ถ้าปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งหมดไปรูปอันนี้ก็หมดไปด้วยทีนี้พอพิจารณาอันนี้คล่องมากนะชำนานมากก็ไม่ใส่ใจในความเกิดวางนั้นใส่ใจแต่ความดับนะก็คือใส่ใจโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกแปรนาตาในฝ่ายดับอย่างเดียวเสร็จแล้วนะก็จะเริ่มเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้นะภพสามกําเนศสี่คติห้าก็จะเป็นเหมือนกับไฟไหม้นะก็ะเรียกว่าพิจารณาหาทางสลัดออกละ ยาในการพิจารณาหาทางสลัดออกเป็นต้นก็เป็นลักษณะพว่ประเภทมุนจิตุกรรมเมตตาญาณใข่ที่จะพ้นจากรูปนามขันห้าเหล่านั้นนั้นซึ่งในชั้นนี้เราต้องอสมุทฐานนี่กรรูปมั่นมั่นคงค่อนข้างมากหรือว่าอารมณ์แต่ละอย่างที่พิจารณาเนี่ยนะเรื่องปัจจัยเนี่ยรู้เป็นอย่างดีเลยต้องต้องข้ามความสงสัยแล้วก็ความรู้ในเรื่องของตีรณะปริญญาเนี่ยมั่นคงมาก อันปหานะปริญญาจึงจะเกิดได้นั้นพระพระชนะท่านก็เจริญค่อนข้างมากเพราะว่าตรงนี้ท่านท่านกล่าวถึงข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องภาวะเรื่องนี้คงเรียนในวิสุทธิมรรคจนพรถ้าหากว่าอยากรู้รายละเอียดมากก็ต้องดูในวิสุทธิมรรคเอาเพราะว่าวิสุทธิมรรคนั้นเป็นคัมภีร์ที่ขยายเรื่องนี้เพราะว่าพระพุทธโฆษาจารย์เนี่ยท่านกล่าวไว้ตั้งแต่ขึ้นต้นแล้วในคัมภีร์ ปัญจสูทนีท่านกล่าวว่าวิปศีลทุดงสมาธิวิปัสนาต่างๆข้าพเจ้าวินิจฉัยไว้หมดแล้วนะอธิบายไว้แล้วในวิสุทธิมรักษู้ต้องการรายละเอียดก็ไปดูในวิสุทธิมรักษ์เพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านจะให้นัยะในหน่อยแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าเห็นภาพแบบนี้ปั๊บนึกออกเลยว่าวิสุทธิมรักกล่าวไว้ตรงไหนก็จะได้ไปคนที่ตรงนั้นต่อไปท่าท่านก็เห็นความดับใช่ไหม รู้ความดับเห็นความดับในหูในโสตะวิญญาณในธรรมะที่รู้แจ้งด้วยโสตะวิญญาณในคานะในคานวิญญาณและธรรมะที่รู้แจ้งด้วยคานะวิญญาณในชีวหา <talk themselves> ในชิวหาวิญญาณและธรรมะที่รู้แจ้งด้วยชีวหาวิญญาณในกายในกายยะวิญญาณและธรรมะที่รู้แจ้งด้วยกายยะวิญญาณในเมนู ในมโนวิญญาณและในธรรมะที่รู้แจ้งด้วยมโนวิญญาณจึงพิจารณาเห็นว่า our, มโนมโนวิญญาณธรรมะที่รู้แจ้งได้ด้วยมโนวิญญาณเนี่ยว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราเพราะฉะนั้นท่านตามเห็นด้วยด้วยไตรลักษณ์อย่างเดียวนะด้วยปัญญาที่ที่รู้พระไตรลักษณ์เป็นอย่างเดียวประเภทเขาเรียกว่าอนิจจานุปัสสนาเป็นต้น น, น, น, ตมม น, นั่นเองอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอัตตานุปัสสนานั่นเอง เพราะว่าอนิจจานุปัสสนากับทุกขานุปัสสนาก็คือไม่ต่างกันไม่ต่างกันมากเพราะ <hei> สิ่งใดไม่รู้สิ่งใดว่าไม่เที่ยงก็เท่ากับรู้ว่าสิ่งนั้นนั่นแหละเป็นทุกข์รู้สิ่งใดว่าเป็นทุกข์ก็เท่ากับรู้ว่าสิ่งนั้นแหละเป็นอ น, นัตตาเพียงแต่ว่าความชํานาญในแต่ละอย่างแตกต่างกันดังนั้นถ้าพิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาแสดงว่าปัญญีนี้แก่กล้าถ้าพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงก็สัพพีนี้แก่กล้าถ้าพิจารณาโดยความเป็นทุกข์ก็ สมาธิสีนี่แต่กล้ามันแล้วแต่อำนาจของอินทรีย์ด้วยในการเห็นอารมณ์นั้นอนะ่ะอย่างไรนะถ้าหากว่าสมอย่างนี้ทั้งอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาและอนัตตานุปัสสนามีกำลังมากนิพพานุปัสสนาก็จะเกิดได้นะก็จะตามลำดับไปเมื่อท่านพระชนะกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระมหาจุนทะได้กล่าวกับท่านพระชนะดังนั้นดังนี้ว่าดูก่อนท่านชนะ เพราะเหตุนั้นแลท่านควรใส่ใจคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้ตลอดการเนืองนิดนะสังเกตดูขณาดผ้าอาหารแนะนาเนี่ยนะก็ยังแนะนำให้ใส่ใจในคําสอนว่าไว้ยังไงว่าบุคคลผู้อันตันหาและทิฏฐิอาศัยอยู่แล้วย่อมมีความหวันว่นไหวนะก็เรียกว่ายังหวั่นไหวอยู่สำหรับผู้ไม่มีตันหาและทิฏฐิอาศายัยย่อมไม่มีความหวั่นไหว ตัณหานี้เป็นอุปาทานได้กี่อย่างได้การมุปาทานอย่างเดียวที่ทีได้สามอุปาทานคือ 1. นึ่ที่ถัปาทาน 2, สอศีละพะตุตปาทาน3อั ต, ตวาทุปาทานผลถ้าผู้ที่ยังมีอุปาทานในอารมณ์นั้นอยู่ยังละอุปาทานได้ไม่ได้ก็ยังมีความวันไหวถ้าหากว่าไม่มีอุปาทานเหล่านี้ก็ไม่มีความ วันไหวนั้นอุปาทานนี่จะละละได้อย่างไรนะละได้อย่างไรนั้นก็ละได้ด้วยวิปัสนาเป็นต้นนั่นเองแบบตะทางฆ่าประหารนะเพราะว่าถ้าหากว่าเห็นโดยความเบื่อหน่ายก็จะละคลายความกาหนับทิฏฐิเนี่ย น, นะเช่นที่ถูกปาทานก็คือ อ, อุเฉททิฏฐิกับสัตตทิฏฐิถ้าเห็นความเกิดก็ละทิฏฐิอะไรได้ เห็นความเกิดละอุเฉะท่าทิถีได้เห็นความเสื่อมละสัสตตาทิฐิได้เพราะฉะนั้นผู้ใดกล่าวว่าเห็นเกิดเห็นดับนั้นน่ะจะต้องมีความเข้าใจเรื่องทิถีสองตัวนี้เป็นอย่างดีนะเพราะว่าผู้ศาสนาไม่ใช่อุเฉะท่าทิถีไม่ใช้สัตตตาทิฐิแต่กล่าวว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีไม่ใช่ศูนย์แต่ก็ไม่ใช่เที่ยงแต่เป็นไปตามปัจจัยของเขา อันผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นก็เห็นธรรมะ น, นะเพราะว่าถ้ารู้ว่าเพราะมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีไอสิ่งที่มีขึ้นเพราะอีกสิ่งหนึ่งอ่ะสิ่งที่มีขึ้นอันนั้นเป็นทุกขสัจปัจัยที่ทำให้อันนั้นมีก็คือสมุทยัยสัจถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้มีมไหมไม่มีอันนั้นเป็นนิโรธสัจนั่นนะอนั้นถ้าหากว่าผู้ที่ละคลายตัณหาและทิฏฐิในอารมณ์นั้นได้ก็ ไม่มีความหวั่นไหวเมื่อไม่มีความหวั่นไหวก็ไม่มีอ่าก็มีความสงบเมื่อมีความสงบก็ไม่มีตันหานําไปสู่พบเมื่อไม่มีตันหานําไปสู่พบก็ไม่มีการเกิดไปเกิดนะไม่มีการมาเกิดไม่มีการไปเกิดเมื่อไม่มีการมาเกิดไปเกิดก็ไม่มีจุติและอุบัติพอไม่ปฏิสนธิจุติมีไหมไม่มี เมื่อไม่จุติและอุบัติก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีในระหว่างกลางทั้งสองโลกนี่แหละที่สุดแห่งทุกข์เขาเรียกว่าถอนอุปาทานให้มันหมดกันแล้วกันนึกเอ๊มเป็นยังไงไว่าภาพที่ว่าเนี่ยนะถ้าคนมีตัญหาไม่รู้หรอกเรีว่าคนไข้เกิดมาไข้มาตลอดเลยไม่รู้อะไรหายไข้เป็นยังไงหรอกครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาจุนทะกล่าวสอนท่านพระฉช น, นะด้วยโอวาทนี้แล้วจึงลุกจากอาสนะหลีกไป คั้งนั้นแลท่านพระฉันนะเมื่อท่านพระสารีบุตรแด้ท่านพระมหาจุนทะหลีกไปแล้วไม่นานได้หาสาสตราฆ่าตัวเสียทันทีนะในขณะนั้นพอฆ่าตัวแล้วก็เป็นยังไงฆ่าตัวก็ต้องจุติเนาะก็บอกว่าเอาเมีดเนี่ยมาตัดคอเลยท่านพระสารีบดจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างที่ประทับถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคเจ้านั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพอนั่งเรียบร้อยแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระฉันนะหาสาสตรามาฆ่าตัวเสียแล้วท่านมีคติอย่างไรมีสัมปรายพกอย่างไรนะที่ไปข้างหน้าเป็นยังไงนาะไปดีหรือเปล่าเนาะไปดีเนาะสุขโตไปดีแน่นะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกรสารีบุตรฉันนะภิกษุพยากรณ์ความเป็นผู้ไม่ควรตําหนิต่อหน้าเธอแล้วไม่ใช่หรือใช่ไหม ในหน้าต้นใช่ไหมที่ที่แรกว่าพระชนะกล่าวว่าอั น, นะก็ผมได้ปรนิบัติภาษาสดามาตลอดกาลนานด้วยความพอพระไทยมิใช่ด้วยความไม่พอพระไทยความจริงการที่ภิกษุปรนิบัติภาษาสดาด้วยความพอพระไทยมิใช่ด้วยความไม่พอพระไทยนั่นเป็นการสมควรแก่สาวกอันนี้ถ้อยคํนาลักษณะนี้เป็นถ้อยคําปฏิญาณในการเป็นพระอริยะบุคคลของท่านแต่คําพูดอันนี้เนี่ย ท่านท่านพูดในสมัยที่ยังเป็นปุตุชนที่บอกว่าฉันหน้าพิสูจนจักหาสาตรามาฆ่าตัวอย่างมิให้ถูกตาหนิได้ผมเนี่ยจะตายแบบไม่ให้ใครตาหนิได้เลยคำประเภทนี้เป็นคำพยากรตัวเองแต่ว่าตอนนั้นท่านท่านสำคัญผิดไปทั้งทัที่ท่านยังไม่ได้บรรลุอะไรหรอกทีนี้ตรงนี้ท่านก็เล่าว่าท่านก็นำสาตรามาแล้วสำหรับฆ่าชีวิตมาก็ตัดก้านคอ ขณะนั้นความกลัวตายของท่านก็ก้าวลงนะพอตัดชับเข้าไปเอ้ยเตือนตัวเลยนะค่อนนิ่งนึกว่าจะไปแน่นะพอเขาผลักขึ้นรถเอเอาแน่หรือเปล่านี่คตินิมิตก็ปรากฏภาพเนี่ยปรากฏเลยใช่ไหมไปเกิดที่ไหน mm hmm. พอคตินิมิตปรากฏท่านก็รู้ตัวว่ายังเป็นปุตุชนก็เกิดความสลดใจตั้งวิปัสนาพิจารณาสังขารสําเร็จเป็นผา้าฐานเป็นสัมมาสีสีแล้วก็ปรินิพนันธ์ นะพออรหัตตมรรคเกิดขึ้นปัจเวคขณะยานดับปั๊บจุติจิตทันทีเรียบร้อยหมดเลยเสี่ยงมากนะเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เสี่ยงที่สุดในโลกก็ไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยใช่ไหมเ้าจะอ่าท่าก็บอกว่าฉันหน้าภิกษุพยากรณ์ความเป็นผู้ไม่ควรตำหนิต่อหน้าเธอแล้วยางไง ท่านภาษารีบทก็กล่าวว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญมีบ้านในแว่นแคว้นวัดชีนามว่าปุพพชิระที่หมู่บ้านนั้นท่านพระชนะยังมีสกุลมิตรสกุลสหายและสกุลที่คอยตำหนิอยู่ น, นะโอ้โหคนนี่ด่าทนม ง, ง, งมเหมือนกันทำตัวแบบนี้โอ้โหไไม่ชอบนะนะถูกฆ่าคนฆ่าตัวตายส่วนใหญ่แล้วไม่ว่ายุคใดสมัยใดยคนก็ไม่ยกย่องสารเสรินใช่ไม พระ อ, องค์ตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรชันนาพิษุยังมีสกุลมิตรสกุลสหายและสกุลที่คอยตําหนิอยู่ก็จริงแต่เราหาเรียกบุคคลว่าควรถูกตําหนิด้วยด้วยความเพียงเท่านี้ก็หาไม่ดูก่อนสารีบุตรบุคคลใดแลทิ้งร่างกายนี้และยึดมั่นกายอื่นบุคคลนั้นเราเรียกว่าควรตําหนินะใครที่ตายเสร็จแล้วเกิดใหม่นะทิ้งกายนี้แล้วถือกายใหม่อีก คนประเภทนี้ควรควรตําหนิว่างั้นควรตําหนิดีเอาถือทิ้งกายนี้ถือกายใหม่ก็ควรตํำหนินะในสายตาพระพุทธเจ้านะก็ต้องดูว่าใครใครตําหนิใช่ไหมช <c oughs> นะพิสูหามีลักษณะนั้นไม่ชนะพิสูหาสาตรามาฆ่าตัวอย่างไม่ควรถูกตําหนินะเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาสิตธินี้แล้วท่านพระสารีบุตรจึงชื่นชมยินดีพาสิทิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้า อไม่ไม่เอาอย่างก็ของท่านเนี่ยนะปฏิปท า, าย า, านทัศนวิสุทธิท่านเกิดแล้วอ่ะท่านจึงจึงกล้าเสี่ยงอัน น, นะมีพระบางองค์เนี่ยนะท่านเจริญวิปัสนาเจริญสมถะกับวิปัสนาพวกคู่กันไปทีนี้พอท่านเจริญได้ฌานปั๊บฌานเสื่อมคือคือท่านเนี่ยเป็นคนที่ป่วยบ่อยนะพอได้ฌานปั๊บป่วยฌานก็เสื่อม พอพักหนึ่งอีกรักษาไข้หายก็เจริญชานใหม่ชานเสื่อมอีกก็เป็นอยู่อย่างนี้พอป่วยชานเสื่อมพอป่วยชานก็เสื่อมหลายครั้งเข้าเบื่อที่ถ้าหากว่าขณะที่ที่ชานเสื่อมแล้วเนี่ยคติที่ไปก็ไม่แน่นอนใช่ไหมบางองค์ก็ฆ่าตัวตายก็มีเรียกว่าที่จะได้ว่ามันปลอดภัยหน่อยใช่ไหมแต่ว่าการฆ่าตัวตายนั้นสําหรับคนที่ยังมีกิเลสนั้นก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเลยนะ เพราะว่าพบหน้าแล้วก็ไม่ร่วมเป็นอะไรแต่ถ้าหาว่าคนที่เจริญกุศลมากๆก็เป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวอะไรแต่ที่กล่าวอย่างนี้ไม่ใช่พาลนาคุณแห่งความตายเพราะว่าพระองค์ไม่ได้สอนให้พาลนาคุณแห่งความตายมีนะวินัยกล่าวว่าอันหนึ่งพิกษุใดนะพาลนาคุณแห่งความตายหรือว่าชักชวนเพื่ออันตาย หรือว่าแสงสแสวงหาศาสตรา ม, มาเพื่อให้เขาตายเนี่ยนะสแสวงหาศาสตรามาให้เขาฆ่าตัวตายเป็นต้นเนี่ยนะที่สุดนั้นเนี่ยถ้าเขาเ้าฆ่าตัวตายจริงๆเนี่ยเป็นอันบัตตาราชิกนะโดยที่สุดแม้แต่ภาลนาคุณแห่งความตายเพราะฉะนั้นที่กล่าวนี้จึงไม่ได้ภาลนาคุณแห่งความตายแต่ว่าภาลนาว่าให้พิจารณาถึงความตายบ่อ ย, อย ใ, หให้เจริญ นะปรารบถึงความตายบ่อยๆอถ้าการพิจารณาเรื่องความเจ็บความตายเป็นต้นเนี่ยเป็นปริญญาไหมเป็นไหมพิจารณาว่ากายนี่มีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้อยู่ในปริญญาข้อไหนปริญญามีสามใช่ไหมหนึ่งญาติปริญญาสองเติรณาปริญญาสามปหานาปริญญ า, ญญาพิจาจรณาความตายบ่อยๆอยู่ปริญญาไหน ตีระนาปญญาแสดงว่าแม่นมากไม่สมนะอาจารย์หลายสำนักมักจะไม่ส่งเสริมไม่ส่งเสริมให้ท่องไม่ส่งเสริมให้จํานะครับเราก็มันตรงการไอร้กีนเล็กเราอยู่แล้วด้วยครับ <c oughs> มันขี้เกียจอ่ะใช่ไหมครับ <c oughs> ก็เลยไม่ทดลองเลยไม่แต่จะทดลองจะท่องเอ๊ะมาเรียนกันถ้าอาจารย์ทุ่มบัตรนี่ <c oughs> ผมลองท่องดูสักสูตรหนึ่งวันนั้นก็ ทอนหน้าเกือบเต็มหน้านะเอ๊ะะลองท่องดูเอ๊ะไม่สักพักดียวไอ้จาได้นะเลยนึกเอ้ยมีกําลังใจขึ้นเยอะะจําจได้ลูกขึ้นมาอีกวันตื่นขึ้นมาลองนึกดูเอ๊ะผิดเป็นทีเดียวอ่ะอแสดงว่าเซลล์สมองเรามันถึงแม้มันจะมีอายุขนาดนี้แล้วมันมันก็ยังทํางานได้นะเพราะฉะนั้นก็มีกําลังใจขึ้นคถ้าตามเราแล้วเนี่ยตามคําสอนของเรานั้นความจําถ้าจริงๆก็แล้วแต่อุปนิสัย ถ้าอารมณ์นั้นเราให้ความสําคัญมากเราจะจําได้เพราะว่าตามลักษณะของเราเนี่ยความจําสมองไม่ได้ทําหน้าที่จําแต่ตัวที่จําก็คือสัญญาเจตสิกสัญญาเจตสิกนั้นจะจําได้หรือไม่ก็อยู่ที่อุปนิสัยมาเรื่องบางเรื่องทําไมเราประทับใจจําได้แม่นนะเช่นคนมาด่าทําไมจําได้แม่นเพราะเราประทับใจในเรื่องนั้นมากพระธรรมที่เราท่องก็เหมือนกันถ้าเราประทับใจในคำนั้นนั้นเนี่ยนะเราก็จะจําได้ เพราะว่าอุปนิสัยถ้าสำนวนนี้ก็ปกตูปนิสยปัจจัยเพราะฉะนั้นความคิดเนี่ยมันไม่ได้เกิดมันไม่ได้เกิดแบบแบบตลอดนะเว้นไว้แต่ผวังเนี่ยมันจะเกิดขั้นอยู่ตลอด <c oughs> แต่ความคิดความจําเหล่านี้แล้วแต่อุปนิสยัยฉนั้นถ้าอุปนิสยัยถ้าเราตั้งไว้ดีเนี่ยเราก็จะจําในสิ่งนั้นๆได้จิตเนี่ยนะแปลกนะถ้าเราจะให้เขาเลือกจําเขาจะจําเขาจะเลือกจําได้แต่แต่เราต้องไม่เห็นอย่างอื่นเห็นอย่างนี้เป็นสาระซะก่อนนะ แล้วเห็นอย่างอื่นสาระน้อยกว่าเราจะจําอย่างนี้ได้แล้วแต่จะปลูกฝังให้ถ้าเราบอกว่าโอ้ยสมมตินะคนนี้ดีที่สุดในโลกเนี่ยเรานึกถึงแต่คนนี้คนที่ดีที่สุดในโลกเดี๋ยวลืมคนอื่นหมดจะจำได้แต่คนนี้คนเดียวนั่นแหละถ้าทำก็เหมือนกันคําสอนนี้ดีที่สุดในโลกสมมุตินะในในความเข้าใจของเราเลยนะเสร็จแล้วเราจะจําเรื่องนี้เป็นอย่างดีอะไรคือท่านลองไปทดลองดูก็ได้นะครับผู้ที่เมายุนะครับ การที่ท่านท่องจำเนี่นะฮะถ้าท่องด้วยศรัทธานะแล้วท่องว่าสิ่งนี้เป็นสาระสําหรับเรานะเป็นที่พึ่งที่กาะที่อาศัยของเราได้นะท่านท่องได้จริงๆไม่ไม่ยากเกินไปแไมอย่ากเลยนะเราไปคิดถึงจําไม่ได้ในขณะที่ท่องจิตขนาดนั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเป็นกุศลครับเป็นกุศลควรเจริญไหมควรเจริญหรืออย่างเราเรียนธรรมะเนี่ยเรารู้ว่าการท่องของเรานี่นะเราไม่ใช่ท่องนกแก้วนกคุณทอง เราท่องไปด้วยเรา ร, รู้ <ไป S 2> เหตุผลเราตรึต่ไปด้วยรรเราเหตุผลไม่ยากเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะนนั้ถ้าหากว่าเราท่องบ่อยๆนะเสร็จแล้วสงเคราะห์ถ้าคนที่ท่องได้จะสงเคราะห์ลงในชีวิตได้ง่ายถ้าเรื่องไหนจําไม่ได้นะสงเคราะห์ลงก็ไม่ได้พูดให้คนอื่นฟังก็ไม่ได้ฉันรู้หนารู้หนาไม่รู้เนี่รู้ยังไงก็ไม่รู้ยังฟังไม่ออกเหมือนกันเพราะถ้าถ้าหากว่าเราท่องได้จําได้นะั้นะนะ่ะมีความสําคัญมาก เพราะศาสนาเนี่ยเนี่ยขึ้นต้นด้วยด้วยการฟังอ่ะฟังแล้วจาไม่ได้เรียกว่าฟังใช่ไหมเรียกไหม <c oughs> ไม่รู้จะเรียกศัพท์ไหนดีนะ <c oughs> พ่ะผ้านนเนี่ยน ะ, ะเป็นผู้ที่มีความจํามากะก็เรียกว่ามีทตทิติมีสติมีเป็นผู้ที่เป็นเอตะทะัคษะด้านการทรงจำอ <c oughs> ันถ้าหากว่าเราจําไม่ได้ข้อมูลในการพิจารณาพระธรรมเราก็น้อยถ้าหากว่าเราจํา <c oughs> คําสอนไม่ได้ แน่ใจนะว่าสิ่งที่เราปฏิบัตินีนของพระผู้มีพระภาคคือขอมากล้าพูดอย่างนี้เลยนะว่าถ้าเราสิ่งที่เราพิจารณานะถ้าคําสอนของพระ อ, องค์เรายังจําไม่ได้เลยว่าพระ อ, องค์สอนให้พิจารณ า, ราอะไรยังจําไม่ได้แน่ใจนะว่าเรายังยังทําตามพระ อ, องค์อยู่ก็เป็นเรื่องของเร า, าทั้งนั้นนันแหละเสร็จแล้วพอเป็นเรื่องของเรานะแล้วพิจารณาด้วยความรู้ความนึกคิดของเราเองเสร็จแล้วก็นี่นะถ้าทำมาไว้อย่างนี้ สวมรอยปั๊บเข้าไทันทีเลยไอ้ตรงเนี้น่ากลัวที่สุดไอ้ตรงที่เราพิจารณาอย่างไรเนี่ยไม่มีใครตําหนิอะไรหรอกแต่ว่าถ้าเราเราบอกว่าความรู้ของเราที่คิดเอาเองโดยที่ปรุงสูตรขึ้นมาเองเสร็จแล้วก็บอกว่านี่เป็นพระธรรมของพระผู้มีพระภาคตรงเนี้มีโทษมากมายมหาศาลคือโทษเกิดขึ้นกับคนนั้นนั่นเองพระธรรมนั้นถ้าเราเข้าใจถูกมีคุณค่ามากมายมหาศาลถ้าเข้าใจผิดก็บอกว่า ถ้าทมเนี่ยไม่ผิดก็เหมือนกับยาเนี่ยนะหมอหมอที่เก่งๆเนี่ยเขาปรุงไว้ดีแล้วเนี่ยแต่ก็มีคนเผลอไปกินแล้วตายเหมือนกันนะถามว่าโทษหมอได้ไหมโทษไม่ได้เพราะว่าคนกินไม่รู้จักขนาดไม่รู้จักขนานไม่รู้อะไรเองฉันได้พระธรรมก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราเข้าใจไม่เพียงพอแล้วก็ใช้ในสูตรนั้นไม่เพียงพอมีโทษมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นพระธรรมนั้นใช้กะไม่ได้พระธรรมเนี่ยมีค่ามากแต่คนชอบกะ วิชาอื่นๆนะมีค่าน้อยแต่โอ้โหหลักการเนี่ยเป๊ะเป๊ะแต่เส น, นชีวิตตอนตอนที่เรายังยังเป็นละอ่อนอยู่นะถ้าได้เรียนได้ท่องโอ้โหคงจะไปเอะก็เลยก็คำนึงเป็นสิ่งที่ล่วงมาแล้วไปจําไปจําไอ้สิ่งที่มันนะแต่อก่อนเนี่ยนะที่เราชอบเช่นแล้วเราชอบอะไรเราจําได้แม่นนะเช่นผมผมตอนเด็กๆผมชอบเรื่องภาพยมตร์ครับผมท่องร่างได้เดี๋ยวนี้ เมื่อกล่าวถึงเรื่องน้อยกลอยสวัสด์รองบาดพระพไทเมื่อไกลสถานอยู่วนวังหลังเกาะแก้วพิสดารประมาณการสิบเดือนไม่เคลื่อนคาเจ็บคันปันป่วนเจจวนข้อละทวยทอดเนี่ยผมท่องได้เลยนะแล้วมันท่องมาทําไมเนี่ยมีปยชน์นึกถึงเมื่อหลายใจก็กุศนก็ยังช่วยได้นะ้นที่แสดงว่าตอนเด็กๆเรานี่นะโอ้โหสมองเราท่องขนาดนี้ก็ที่จริงก็น่าจะฉลาดกว่าเด็กเพราะว่าเด็กเนี่ยนะขณะที่ท่องจําไม่รู้ จ ร, จริคือถ้ามีศรัทธานะท่องได้แน่นอนคือถ้ามีศรัทธาที่จะท่องนะบอกว่ามาเชื่อว่าใครก็ท่องได้เพราะอะไรลูกเรายังจําชื่อได้อะพระธรรมถ้าเราคิดว่าพระธรรมดีมากเราก็ต้องจําได้แต่ถ้าเราจําบอกว่าเออพระธรรมก็ยังไม่เท่าไหร่ถ้าอย่างงี้ยังไงก็จําไม่ไดเ้เขาบอกว่าความคิดของเรานะถ้าเราเชื่อว่าเราทําได้นะถ้าแค่มีศรัทธานิดหนึ่งเราก็ทําสําเร็จแต่ถ้าไม่มีศรัทธาที่จะท่องเลยนะ คสามคำก็ท่องไม่ได้ถ้ายิ่งเชื่อบอกฉันคงท่องไม่ได้อันนี้แหละบอกว่ามั น, มนไม่ได้ทั้งแตต้นเหมือนกับจําชื่อคนเหมือนกันนะถ้าเชื่อว่าตัวเองจําไม่ได้ยังไงก็จะจําไม่ได้มันแล้วแต่แนวความคิดตรงนี้นะแล้วแต่ทัศนคติเหมือนกันเพราะธรรมชาติของที่จำเนี่ยไม่ใช่สมองเป็นตัวจําสัญญาเจตสิกทาหน้าที่ ท, ทําหน้าที่จำนั่นแหละจะจําได้หรือไม่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยนะคือจะจําได้ในสิ่งนั้นนะมันยังมีปัจจัยอยู่สองตัว หสิ่งนั้นเป็นอารมณนาทิปติไหมแล้วสองในขณะที่จำเนี่ยเป็นสหชาตาทิปติไหมนั่นก็คือตะกูลนาทิปติปัจจัยเช่นทําไมเหตุการณ์บางอย่างเราตกใจและเรามาเล่าเรามาเล่าได้เพราะในขณะนั้นมีสหชาตาทิปติโทสะมีอะไี่ประดีไหมมีอะไรที่ปดีคือหนึ่งฉันทะวิริยะและจิตตะอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ก็สามารถที่จิตในขณะนั้นก็สามารถที่จะจําได้ สองอารมณ์นั้นเป็นอารมณนาธิปตินะอารมณ์ที่หนักเรียกว่าที่หน้าปรารถนาที่น่าฝักใฝ่นี้ก็จะเป็นเหตุให้จำได้เพราะฉะนั้นถ้าเราปลูกฝังสองอย่างนี่นะหนึ่งปลูกฝังให้จิตเราเนี่ยประกอบไปด้วยฉันทาธิปติวิริยาทิปติจิตตาธิปติหรือวิมังสาธิปติเราก็จะจำได้นี้ในหนึ่งอีกในหนึ่งก็ให้อารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่ที่หน้าฝักใฝ่ที่หน้าปรารถนามาก ปลูกใจรักอย่างแรงกล้าะปลูกชันทะอย่างแรงกล้าในอารมณ์นั้นนั้นเราก็สามารถที่จะจำได้แต่สำคัญที่สุดก็คือทัศนคติเบื้องต้นก่อนเชื่อไหมว่าเราจำได้กอ น, นถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้มันก็ทำได้ถ้าเชื่อว่าทำไม่ได้ยกมือขึ้นนี่ทำไม่ได้แนย่ยกมือจะยกไม่ไหวเหมื อ, อนกันนะถ้าไม่เชื่อ